อันหนึ่งขอให้ภิกษุผู้เป็นหูสูตรเป็นนักปราดมีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นในศีลประกอบใจให้สงบประงับเนืองนิดจงมาประดิสถานอยู่บนศีรษะของเราเถิดผู้ที่มีคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ายกย่องอ่ะเออมาเถอะหลันีภิกษุใดประกอบด้วยธรรมะเครื่องเนื่นช้ายินดีในธรรมะเครื่องเนื่นช้าภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานอันเป็นธรรม ะ, กะเกษมจากโยคะอย่างเดียว ถ้าใครที่ประกอบด้วยตันหามานะทิฏฐิยินดีหมกมุ่นมากๆในตันหามานะทิฏฐิพวกนั้นยังไงก็พลาดนิพพานอยู่แล้วไม่ได้นิพพานแน่นอนส่วนภิกษุใดละธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วนะละตันหามานะทิฏฐิยินดีในอริยมรรคอันเป็นทางไม่มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมะกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม ถ้ายินดีในอริยมรรคกันนะยินดีที่จะละกิเลสก็แสดงว่าไม่นานก็ย่อมบรรลุนิพพานะ้าหันทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าจะป่าก็ตามที่ลุ่มที่ดอนสถานที่นั้นเป็นภูมิไม่สถานที่น่ารื่นรมผ้าหันที่อยู่ที่ไหนที่นั้นก็น่าอยู่ไปหมดแนะ่ะคนผู้สแสวงหากามย่อมไม่ยินดีในปา่าอันน่ารื่นรมเช่นเช่นใดท่านผู้ปราศจากความกาหนัด จักยินดีในป่าอันน่ารื่นรมเช่นนั้นเพราะท่านเหล่านั้นไม่เป็นผู้สแสวงหากรรมคนที่หมกมุ่นในการมชอบกรรมไม่ชอบป่าแต่ว่าพระธรรมทั้งหลายท่านชอบป่าท่านเพราะท่านไม่หมกมุ่นในกามก็ป่ามีอะไรมีแต่ต้นไม้เขียวๆให้ดูนะไม่มีรูปสวยๆเ ส, ส, สียงเพรา๊ๆมีแต่จักจันทร์เรไรร้อ ง, งอะ่ะจะไปมุ่นอะไรนะไม่มีดนตรีเพร่อๆเลยนะเพราะฉะนั้นใครว่าคนที่ชอบกรรมก็ไม่ชอบป่าคนที่ชอบป่าก็ไม่ชอบกรรม บุคคลควรเห็นท่านผู้มีปัญญาชี้โทษมีปกติกล่าวขมขีเหมือนผู้บอกคุมทรัพย์ให้ควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้นย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้มีปัญญาชี้โทษขมขีบ่อยๆเนี่ยนะให้รู้เถอะว่านั่นท่านชี้ขุมทรัพย์ให้เราเพราะฉะนั้นให้ยินดีคบท่านไปเถอะว่า ง, งั้นจะไม่เสื่อมไม่หายจะไม่ชั่วเลยสักอย่าง นักปราศก็ควรโอวาทสั่งสอนควรห้ามผู้อื่นจากธรรมะที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษแต่บุคคลเห็นป่านั้นย่อมเป็นที่รักใคร่ของสัตว์บุรุษเท่านั้นไม่เป็นที่รักใคร่ของอาสัตบุรุษการว่ากล่าวการสั่งสอนการแนะนําการโอวาสการห้ามจากบาปทั้งหลายนะคนชั่วไม่ชอบแต่คนดีเขาชอบพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมีพระจักสุทรงแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นอยู่ เมื่อพระองค์กำลังแสดงธรรมะอยู่เราผู้มุ่งประโยชน์ตั้งใจฟังการตั้งใจฟังของเรานะั้นอ่ะไม่ไร้ประโยชน์เราเป็นผู้หมดอาสวะเป็นผู้หลุดพ้นวิเศษเนี่ยนะอย่าลืมนะเขาแสดงธรรมให้คนอื่นอยู่ถ้าส่งจิตตามก็บรุได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแสดงแกเราเท่านั้นอนะ่ะเงกับบรุนะจะแสดงแก่ใครก็ช่างเถอะถ้าเรามีใจมุ่งสู่เพื่อการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะมุ่งตรัสรู้อริยสัจฟังอยู่บรุได้ทั้งนั้นแหละ เราไม่ได้ตั้งความปรารถนาใจจริงของท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อละลึกชาติเพื่อมีตาทิพรู้วาระจิตอิทธิวิธีจุตูปปาตยานที่ประสูตธาตุอันบริสุทธิ์มาแต่ปางก่อนเลยไม่ปรารถนานะแต่คุณธรรมของสาวกทั้งหมดได้มีขึ้นแก่เราพร้อมกับการบรรลุมรรคผลเหมือนคุณธรรมคือพระสัพพัญยุตยานได้มีแก่พระพุทธเจ้าฉะนั้น คือท่านมีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะรองแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทีนี้พูดถึงมียักษ์ตนหนึ่งมากล่าวว่าภิกษุหัวโล้นรูปหนึ่งชู่ปฏิสะเป็นพระเถระอุดมด้วยปัญญาห่มผ้าสังฆตินั่งเข้าชานอยู่ที่โคนต้นไม้สาวกของพระพุทธเจ้าผู้กำลังเข้าสมาบัติอันไม่มีวิตกในขณะถูกยักษ์ตีศีรษะก็ยังประกอบด้วยธรรมะคือความนิ่งอย่างประเสริฐ วันหนึ่งภาษาฤาบุตรกับพระโมคคัลลานะปลงผมเสร็จในวันเพน็งวันเพ็งก็นั่งเข้าสมาบัติในที่กลางแจ้งบนพภารันหินน่ะยักษ์ตนหนึ่งก็เหาะมาก็เป็นคู่เวรกันในอดีตชาติเห็นมันใส้ามากเลยนะก็อบอกเพื่อนฉันจะตีหัวพระรูปนี้อะไรวระมานเพื่อนก็ยาเลยยาเลยนะชื่อนั้นทะยักษ์อ่ะยักษ์เขาไม่เชื่อก็เลยหดตะบองเข้าไปอันหนึ่งก็บอกถ้าหดช้างช้างนี่จมลงธรณีเลยแหละแต่ว่าด้วยกําลังสมาบัตรรักษาไว้เนี่ยนะเพื่อนก็กว่ายักษ์หดเสร็จก็ แผ่นดินสูบเลยตกอเวจเีแต่ท่านก็พอออกจากสมาบัติก็เจ็บเหมือนกระท่ากนะยุงกัดนะนะเพราะฉะนั้นท่านไม่หวั่นไหวที่ท่านไม่หวั่นไหวอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิ้นโมหะแล้วยท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกใครจะตีก็ตีใครจะกราบก็กราบไปก็ยินดีหรือเขาจะตีหรือเขาจะกราบก็กราบในสังขารที่ท่านทําปริญญาเรียบร้อยแลย้ว ความชั่วช้าแม้เพียงปลายขนสายย่อมปรากฏเท่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแก่พิสุผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนสแสวงหาความสะอาดเป็นนิด น, นะความไม่ดีแต่หน่อยนึงนะหม้มันเท่ามันเท่าก้อนเมฆเลยแหละว่างั้นนิดเดียวนะคนอื่นเขามองว่าบาปนิดเดียวอะ่ะแต่ท่านเห็นเท่าก้อนเมฆคือเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนะี่ยท่านไปบินธวาดกับสัมมาเนนลูกศิษย์ท่านนะอายุ7ขวบวันนี้ผ้าของท่านเนี่ยมันย่อไ ป, ไปนิดหนึ่งอ่ะนะท่านไม่ได้ดูอะ่ะ คือไม่ได้สังเกตนะสัมเณนก็เลยเตือนเตือนก็เลยท่านออกไปแล้วก็ห่มผ้านันก็เลยกล่าววาจาอันนี้ออกมานะภาษารีบทสัมมณีอายุเจ็ดขวบเตือนท่านก็ฟังนะถ้าสิ่งนั้น่ะถูกต้องเป็นธรรมนะเรานี้ไม่ยินดีต่อความตายและความมีชีวิตเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจะละทิ้งร่างกายนี้ไปไม่ยินดีต่อความตายและชีวิตเรานี่รอเวลาตาย เหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทํางานฉะนั้นลูกจ้างที่ทํางานเสร็จนะรอดูนาฬิกาแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีใช่ไหมท่านก็เหมือนกันอ่ะท่านไม่ได้ยินดีในความเป็นอยู่หรือความตายอะไรหรอกแต่ว่ารอความตายเหมือนกับคนทํางานเสร็จแล้วอนะของเราเนี่ยโหรอมันตายไปกันเลยนะแต่ว่าไม่ไม่อยากตายกนะันเลยอย่าเพิ่งตายเลยอย่างนั้นเลยตายแล้วเพราะอะไรเพราะทาบุญมันยังไม่พอนะไม่รู้จะไปดีหรือเปล่าแน่ใจนะว่าไปดี ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แน่ใจว่าไปดีนะถ้าลืมนึกพระพุทธเจ้าเมาื่อไหร่ก็ไม่แน่มันก็ซ้อมๆนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าให้ดีเนะี่ความตายเนี่ยมีแน่นอนในสองคราวไม่ตายในเวลาแก่มก็ตายเวลาหนุ่มนั่นแหละไอ้ที่จะไม่ตายไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิดอย่าได้ปฏิบัติผิดอย่าพินาศเสียเลยขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเลยเนยะยังไงมันก็ตายอยู่ดีอนะ เมื่อทุกคนหนีความตายไม่ทนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันนะให้ปฏิบัติตามมักนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดก็พินาศเพราะฉะนั้นจงอย่าพินาศเลยบางั้นอย่าปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปเลยบางนันเมืองที่ตั้งอยู่ชายแดนเขาคุ้มครองป้องกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใดท่านทั้งหลายก็จงคุ้มครองตนฉันนั้นเถิดรักษาตัวเองให้เหมือนกับเขารักษาบ้านรักษาเมืองนะ ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงไปแล้วต้องพากันไปเศร้าโศกยัดเยียดอยู่ในนรกว่างั้นอย่าปล่อยให้ขณะเนี่ยนะขณะที่ตัวเองเป็นมนุษย์ขณะที่อายตนะไม่บกพร่องขณะที่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่พระองค์แสดงธรรมขณะที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติศีลประพฤติคุณงามความดีเจริญกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ขณะเรานี้ผ่านไปเด็ดขาด ถ้าใครที่ปล่อยให้ขณะผ่านไปก็ไปโอ้ยโอ้ย อ, อยู่ในนรกนั่นแหละพิกูุผู้สงบระ ง, งับงดเว้นจากเครื่องเศร้าหมองใจได้อย่างเด็ดขาดมีปกติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นถ้ามีคุณธรรมจริงๆก็กำจัดบาปได้ทุกชนิดเหมือนลมพัดใบไม้ร่วงภิสูุผู้สงบระ ง, งับ งดเว้นจากเครื่องเศร้าหมองของใจได้อย่างเด็ดขาดมีปกติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านลอยบาปประธรรมเสียได้เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นฉะนั้นอันนี้ท่านก็สรรเสริญลูกศิษย์ท่านคือพระมหาโกธิตาเทระภิกษุผู้สงบประงับเว้นจากกองกิเลสและกองทุกข์ที่เป็นเหตุทาให้เกิดความรับแค้น มีใจผ่องใสไม่ขุนมัวมีศีลงามเป็นนักปราดพึงทำที่สุดแห่งทุกได้ก็นนะถ้าปฏิบัติละกิเลสละกองทุกขมีใจบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นผู้ที่อยู่ในคุณธรรมอย่างนี้ก็พ้นทุกอยู่แล้วนนะบุคคลไม่ควรคุ้นเคยในบุคคลบางพวกจะเป็นเครือหันหรือบรรประชิตก็ตามหรือเบื้องต้นเขาจะเป็นคนดีตอนปลายจะเป็นคนไม่ดีก็ตาม ตอนแรกก็ดีอ่ะนะตอนหลังก็เลวอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคุ้นเคยกับคนพวกนั้นนะเดี๋ยวจะเสียหายในภายหลังนี่วรหคือการมาฉันทาพยาบาททีนาเมตธะอุทะจักุกุจาวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องเศร้ามองของจิตนะ น, นี่วรห้าเนี่ยทำให้ใจเศร้าหมองนะบันทอนปัญญารมปัญญาให้ทุรพลด้วยสมาธิจิตของพิสูผู้มีปกติชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการ ถ้าไม่ประมาทนะจิตจะตั้งมั่นไม่วันไว้ในสักการะหรือความไม่มีสักการะนักปราชเรียกบุคคลผู้เพ่งธ ร, รมอยู่เป็นปกติภาคเพียรเป็นเนืองนิดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันสุขุมสิ้นความยึดถือและความยินดีว่าเป็นสัตบุรุษนะผู้ที่ละอุปาทานละตันหาได้หมดนี่แหละเรียกว่าสัตบุรุษลนะเพราะท่านเห็นท่านภาคเพียรพิจารณาด้วยปัญญาที่สุขุม มหาสมุดหนึ่งแผ่นดินหนึ่งภูเขาหนึ่งและแม่ลมหนึ่งไม่ควรเปรียบเทียบความหลุดพ้นกิเลสอย่างประเสริฐของพระศาสดาเลยนยะมหาสมุดแผ่นดินเนี่ยภูเขาเนี่ยเปรียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเหมืกันพระเถระผู้ยังพระธรรมมาจากอันพระศาสดาให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามผู้มีปัญญามากมีจิตมั่นคงเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและไฟย่อมไม่ยินดีและยินร้ายนียนะ ภาษารบทเนี่ยนะท่านเป็นเหมือนแผ่นดินเหมือนไฟใช่ไหมแผ่นดินเนี่ยไม่อึดอัดไม่ชิงชังไม่ระอาในั้งของสะอาดของไม่สะอาดที่เขาอ่ะโยนลงไปในแผ่นดินฉันใดจิตของท่านก็ฉันนั้นท่านไม่ยินดีในความลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญไดสักอย่างไฟก็ไม่ของสะอาดก็ได้ไม่ของที่ไม่สะอาดก็ได้ฉันใดไฟนั้นก็ไม่ยินดียินร้ายนะท่านก็เหมือนฉันนั้นนั่นแหละภิกษุผู้บรรลุ ป, ปัญญาบารมีทำแล้ว มีปัญญาเครื่องตรัสรู้มากเป็นนักปราดผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเขา่าทั้งไม่เหมือนคนเขา่าเป็นผู้ดับความทุกข์ร้อนได้ทุกเมื่อท่องเที่ยวไปอยู่นะขอพระอรหันต์เนี่ยท่องเที่ยวไปเรามีความคุ้นเคยกับพระาศาสดามากเราเนี่ยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปลงภาระหนักได้แล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบได้แล้วท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นอนุสาสนีของเราจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคำว่าไม่ประมาทคืออะไรก็คือตั้งความปรารถนาศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นศีลที่เกิดขึ้นแล้วก็มุ่งอนุเคราะห์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทําสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดสมาธทิที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งให้บริบูรณ์ยิง่งยิ่งขึ้นไปปัญญาวิมุตมติยานัศนะเป็นต้นเนี่ยหรือทุกข์ที่ยังไม่กําหนดรู้ก็ตั้งเพื่อกําหนดรู้สมุทัยที่ยังไม่ละก็ตั้งไว้เพื่อให้ละ นิโรธมักที่ยังไม่ทําให้แจ้งที่ยังไม่เจริญไม่อบรมก็ตั้งเพื่อที่จะทําให้แจ้งเพื่อที่จะเจริญเพื่อที่จะอบรมอันนั้นแหละจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่ไม่ประมาทอบรมธรรมขันธ์คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุมติญาณทัศนะหรือเรียกว่าทำปริญญาในทุกขละสมุ ท, ทยัยทํานิโรธให้แจ้งอบรมอริยมรรคผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้ก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ ท่านบอกว่าเราเนี่ยพ้นจากกิเลสทั้งปวงแลว้วจากปรินิพานมาัน้กนก็ตอนหลังท่านก็ปรินิพานนะถ้าใครที่รู้ปรินิพานก็ไปศึกษาในจุนทสูตรในสติปัฏฐานสังยุตนะนะสติปัฏฐานสังยุตกล่าวถึงไว้ก็กล่าวข้อความหลายๆแห่งด้วยด้วยกันเนี่ยนะว่าแห่งหนึ่งก็กล่าวไว้ท่านก็มาเรียงปฏิปติ์ต่อกันเอาไว้ ภาษาฤบุเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณเป็นผู้ที่มีปัญญาประเภทแห่งปัญญาสี่ส่วนส6ส่วน44สี่ส่วน7จ็สส่วนท่านท่านก็เลยเรียกว่ามหาพุทธิผู้มีปัญญามากยิ่งนักเหมือนกัน <16. S 2> กิดิกเลยกิด16ก็คือกิดในการทำปริญญาในทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมมักของโสดาปฏิมักสี่กสะกัาคามิมักสี่ อ น, นาคามีมัรคสี่อรหัตตมรรคอีกสีก็เป็นสิบหเรียกว่ากิดสิบหกพระพุทธเจ้านี้สรรเสริญภาษาลิบุตรมากนะว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นผู้มีปัญญาล่าเริงเป็น ผ, ญญนผู้มีปัญญาว่องไวเป็นผู้มีปัญญาแหลมคมเป็นผู้มีปัญญาเครื่องชั่แรกกิเลสท่านท่านก็ยกย่องภาษาลิบุตรมากนะพระพุทธเจ้านะยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิต ถามว่าภาษาลิบุตรเป็นบัณฑิตยังไงก็เป็นบัณฑิตด้วยเหตุ4ประการเพราะว่าท่านฉลาด1ฉลาดในธาตุสฉลาดในอายตนะ3ฉลาดในปฏิจจสมุปาท4ฉลาดในฐานะอาถรณะอย่างงี้เรียกว่าผู้ท่านเป็นบัณฑิตจริงๆริงจะว่าขันอายตนะธาตุในแง่ไหนเนี่ยท่านรอบรู้ทั้งหมดฉลาดในปฏิจจสมุปาทฉลาดในขธาตุอายตนะเนี่ยคือฉลาดในทุกขสัตว์นะฉลาดในปฏิจจสมุปาทก็คือใน สมุทัยสัตว์ฐานะอาฐานะก็คือมัคสัตเป็นต้นนั่นเองและภาษาริบทนี้เป็นผู้มีปัญญามากหรือมีปัญญาใหญ่ที่ท่านมีปัญญาใหญ่นี่เป็นยังไงเพราะว่าท่านกําหนดอัดได้ใหญ่กําหนดทำใหญ่กําหนดนิรุตติใหญ่กําหนดปฏิพาณใหญ่ก็ประกาศถึงความบริบูรณ์ด้วยปฏิสัมพิทาสและวภาษาริบทก็ยังมีสีลขันที่ใหญ่สมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาณทัศน์ขันเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ กำหนดฐานะอาฐานะใหญ่กำหนดวิหารสมาบัติอริยรสัจสติประธานสมมประธานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ละอย่างนี้ใหญ่ทั้งนั้นนั่นกำหนดสามัญญาผลสี่ใหญ่กำหนดอภิน ญ, ญาใหญ่ใหญ่กำหนดพระนิพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระนิพานนั้นผู้ที่มีปัญญาใหญ่ก็กำหนดได้อ ย, อย่างนี้แหละคือกำหนดในปฏิสัมพิทาสี่กำหนดในธรรมขัน 5, ธ์หฐานะอาฐานะ ในวิหารสมาบัตรอริยสัตจโพธิปัจจะธรรมมัคผลนิพานอภิญญานนผู้ที่สามารถทํากิจอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาใหญ่ส่วนผู้ที่มีปัญญาหนาเนี่ยนะหรือมีปัญญามากก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาในขันต่างๆมากขันเจะว่าในแง่ ม, มุมต่างๆนะขันภายในขันภายนอกขันอดีตขันอนาคตขันต่างๆเหล่านี้ท่านเอามาพิจารณาทั้งหมดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาหนา หรือว่าในธาตุในอายตนะในปฏิจจสมุปบาทต่างๆเนี่ยความได้เนื่องๆซึ่งความศูนย์พิจารณาในแง่สุญญตาสุญญตาคือความศูนย์เช่นจักขูศูนย์ศูนย์จากความเที่ยงสุกยั่งยืนอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขูเนี่ยศูนย์รูปศูนย์จักขูวิญญาณศูนย์ภาษาเวทนาก็เป็นของศูนย์หูศูนย์เสียงศูนย์โสตะวิญญาณศูนย์ โสตสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกคมสุขเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสก็เป็นของศูนจมูกศูนย์กลิ่นศูนย์คานวิญญาณศูนย์คานสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุคขมสุขเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์ เลนเนี่ยศูนย์รถศูนย์ชิวหาวิญญาณศูนย์ชิวหาสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์เหมือนกนกายเนี่ยศูนย์โพตธาสศูนย์กายวิญญาณศูนย์ภาษะศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์เหมือนนศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนศูนย์จากอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะ มโนคือใจนี่ก็ศูนย์ธรรมรมศูนย์มโนวิญญาณศูนยน์มโนสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละไม่ใช่หิงไม่ใช่ชายไม่ใช่บุคคลตัวตนสัตว์อะไรแต่ว่ามีจริงแต่เหมือนกับหม้อเปล่าไห่เปล่าชามเปล่าบ้านเปล่าเรือนเปล่ารถเปล่าเหมือนกับ น้ำเปล่าเรียกว่าน้ำบได้ของพวกนี้มันก็มีแต่มันบอดายบไดอ้อ่ะมันไม่ใช่อะไรสักอย่างมันจริงอะ่ะแต่ว่าบำรุงมันยากแล้วเกิดหนักยิ่งบา ง, งูอีกอันก็เรียกว่าผู้ที่ได้ความเนืองซึ่งความศูนย์เนี่ยเรียกว่าคนมีปัญญาหนามากนีคือมีหนาในทีน่เนี้คือไม่บางอะ่ะพวกปัญญาบางๆก็แหมเกิดนิดเดียวก็ลมพัดหายไปหมดอย่างเงี้ยอากุศลวิตตกเอาไปกินมด ันผู้ที่มีปัญญามากก็มีปัญญาในอัดคืออัดก็เน้นที่ทุกขสัตว์นิโรธสัตว์เนี่ยมากในธรรมะคือในสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์มากในนิรุตติคือการเอาอริยสัตว์มาแสดงได้มากในปฏิพานเอามาแสดงต่างๆได้มากในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ขันต่างๆเนี่ยมากในฐานะอฐ า, านะ วิหารสมาบัติอริยสัจสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรียีพระโพธชงอริยมักสามัญญผลนิพพานอภิญญานิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอ่ะล่วงธรรมะที่ทั่วไปแก่ปุถุชนนี่เรียกว่าปุถุปัญญาอันภาษาดีบรเป็นผู้ที่มีปุถุปัญญาปัญญามากก็คือปัญญามากในขันธ์ธาตุอายตนะอันนี้ก็ทุกขสัจนะนะปฏิจจสมุบาตก็คือสมุทัยสัจแล้วก็ฉลาดในสิ่งเหล่านั้นว่าศูนย์ศูนย์จากอัตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตา แล้วท่านก็แทงตลอดปฏิสัมพิทาสี่ธรรมคขันห้าโพธิปักจยธรรมสามสิบเจ็ดประการอริยสัจสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอภิญญาทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าผู้มีปัญญาจริงๆภาษาริบก็ยังเป็นผู้ที่มีหาสปัญญาเนี่ยนะหาสปัญญาก็เรียกว่าปัญญาร่าเริงดูว่า ผู้มีปัญญาร่าเริงเขาร่าเริงยังไงบอกผู้มีปัญญาร่าเริงเขาก็มีความยินดีมากมีความพอใจมากมีความปราโมดบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์โอ้ดีดีใจที่ได้รักษาศีลก็ว่าอันนี้แหละเรียกว่าหาสปัญญาร่าเริงดีใจปราโมดที่ได้บำเพ็ญอินทรีย์สังวรแม่รักษาศีลอินทรีย์สังวรก็ดีใจรุปมีโพเชเนมตันยุตาก็ดีใจบำเพ็ญชากริยานุโยกก็ดีใจ บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนาก็ดีใจเลยนะของเราดีใจไหมดีใจที่ได้รักษาคนไหนบ้างนะดีใจที่รักษาอุโบสถศีลอย่างเงี้ยนะก็ดีใจดีใจที่ได้ละกิเลสก็ดีใจดีใจในการประพฤติปฏิบัตินี่ก็ดีใจนะหรือว่าบำเพ็ญวิหารสมาบัติตรัสรู้อริยสัจเจริญสติปัฏฐานสมมติปัฏฐานอิธิบาทอินทรพละโพชฌงอริยมรคมีองค์แปดในสามัญญผลหรือตรุตัสรู้อภิญญา ทำให้แจ้งพระนิพานก็ดีใจพอใจร่าเริงปราโมทอย่างมากเลยที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่าเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาแบบนี้แหละเรียกว่าหาสปัญญาคนมีปัญญาร่าเริงสนุกส น, นั้นมุ่นขนาดมีความสุขกับการเจริญกับสิ่งเหล่าเนี่ถ้าใครที่เจริญสิ่งเหล่านี้แหละแห้งแล้งอับปัญญาไม่ร่าเริงตันหามันร่าเริงบอกดีใจเลยนะเออดีดี ด, ด, ดเดี๋ยวจะได้กลับไปเพลิดเพลินต่อมันว่ากันตันหาร่าเริงแทนปัญญาไม่ร่าเริงเลยเขา กันดารแทงแรงนี่แ้ว่า บ, บัวแรงน้าเหมือนเลยส่วนชาวนะปัญญาผู้ที่มีปัญญาไวอะนะชาวนะก็คือไวอนะคนที่มีปัญญาไวนี่ก็ทํำยังไงก็บอกว่าเขาเนี่ยเล่นไปพิจารณารูปทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้แบบไม่เที่ยงได้วไวเล่นไปโดยความเป็นทุกข์ได้ไวเป็นอนัตตาได้ไว เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยจะแ ง, ไ, งไหนก็ช่างไกลใกล้ขนาดไหนก็พิจรารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไวของเราเนี่ยนะโอ้ยสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เป็นทุกข์อย่างนั้นดีว่าไม่ค่อยอย่างนั้นนะเพลินมากนะตอนนั้นแข็งแรงกว่าตอนนี้เยอะไม่ค่อยอย่างนั้นนะนึกไปเนี่ยนึกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เลิกเลยอย่างนั้น คนนี้ก็นึกโดยความเป็นสุขใช่ไหมแต่ถ้าผู้มีปัญญาจริงๆก็เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาาละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลก็ไม่เที่ยงได้ไวเป็นทุกได้ไวเป็นอนัตตาได้ไวเนี่ยไม่ใช่ครื่งชั่วโมงแล้วนึกได้เออมันอนัตตาเนี่ยนะมันห่างมากเล ย, ยผ่านไปเพีงาสำนวนวน่าถ้าเข้าการพนันก็หมดตัวไปแล้ว ่านก็ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาทั้งที่เรียกว่าจักสุคือพิจารณาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไวรูปเสียงกลิน่นรสโพธาภะธรรมรมจกักขูวิญญาณโสตะคานาะชิวหากายะมโนวิญญาณจากักขูสัมผัสเวทนาสัญญาเจตนาตัหาวิตกวิจารขันอายตนาธาตอินรี ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาแต่ละอย่างโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยได้อย่งชํานาญว่องไวอ่ะ น, นี่เขาเรียกว่าคนมีปัญญาไวทีนี้ผู้ที่มีปัญญาไวเนี่ยก็เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะนักกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วก็เล่นไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปได้ไวพิจารณาอย่างนั้นก็เล่นไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปได้ไวย พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน น, นะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานไดน้หรือพิจารณาตาหูจมูกเลิน้นกายใจรูปเสียงกลิน่นรสโภภพธิภัทธรรมรมวิญญาณพัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิโตวิจารเนี่ยขันอายตนะธาตุอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทภพสามกำเนิด4คติ5พิจารณาพวกนั้นว่าไม่เที่ยง พราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพ น, น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารแล้วก็เล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับชราและมรณะได้ไวอย่า ง, งี้เรียกว่าคนมีปัญญาไวหรือว่าคนที่มีปัญญาไวก็พิจารณาเทียบเคียงให้แจ่มแจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วแล่นไปสู่นิพพานเป็นที่ดับรูปได้ไว เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากสุชรามมรณะเป็นต้นน่ะวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตก ว, วิจารณ์ขันอายตนาธานเนี่ยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นน่ะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานเป็นที่สงบประงับจากสังขารเหล่านั้นทั้งปวงได้ไวอย่างนี้เรียกว่าชวนะปัญญาก็มีปัญญาไวนั่นเอง ของเราปัญญาไม่ค่อยไวใช่หคิดถึงขันไหนก็ติดในขันนั้นหนับไปหมดเลยนะคิดถึงรูปก็ติดรูปคิดถึงเสียงก็เสียงเวียงอแสดงว่าช้ามากแต่เราก็ไม่ค่อยรีบใช่ไหมไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะนะมีหน้าอะไรเลยได้อยู่นานนะป่ะนะีไม่รู้จะรีบจากขันไปไหนว่าบริหารขันต่อไปกันแล้วกันองั้นส่วนผู้ที่มีติกขปัญญาเรียกว่าปัญญา ปัญญาทำลายกิเลสได้ไวก็คือทำลายกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยได้ไวมากเพราะนั้นปัญญานี่ไม่รับละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีต่อไปซึ่งอากุศลธรรมอันลา ม, มกะนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความดูหมิ่นความถือตัวความตรณีความทีเหนียวเย่อหยิ่งโอ้อวดถือตัวแข็งดีมานะ ดูหมิ่นผู้อื่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงเนี่ยกรรมที่เป็นเหตุไปสู่พบทั้งปวงอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถกําจัดบาปประธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้แหละเรียกว่าผู้ที่มีติขปัญญาเพราะฉะนั้นชื่อว่าติขปัญญาเพราะอาจว่าปัญญาเป็นเหตุให้บุคคลได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งอริยมรรสสีสามัญญผลสีปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหกในอาสนะเดียวอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้นี้มี ขปัญญาปัญญาทำลายกิเลสได้ไวะ่ะส่วนผู้ที่มีนิเพพปัญญาเนี่ยนเพศปัญญาเนี่ยคือปัญญาชำแร่กิเลสก็คือว่าบุคคลเนี่ยเป็นผู้มากไปด้วยความสะดุ้งความหวาดเสียวความเบื่อหน่ายความระอาความไม่พอใจความเบื่อหน้าออกไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมเบื่อหน่ายทำลายกองโลภะที่ไม่เคยเบื่อหน่าย ที่ไม่เคยทําลายในสังขารทั้งปวงอย่างนี้นชื่อว่านิเพทภากยะปัญญาเนี่ยนะปัญญาทําลายโทสะที่ไม่เคยเบื่อหน่ายทําลายโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะตราสะธีนะมิธาเป็นต้อนอะทำลายบาปอากุศลหรือกรรมที่เป็นนําไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยเบื่อหน่ายอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีปัญญาทําลายกิเลสเนี่ยนะเรียกว่านิเพทปัญญา อีกอย่างหนึ่งนะภาษาธรรบุเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากสา ม, มารถพิจารณาธรรมะตามลำดับบทและวิปัสนาคือท่านเข้าฌานพิจารณาองค์ฌานแล้วเจริญวิปัสนาได้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาวิตกวิจารณปีติสุขเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตฉันทะอธิโมกขวิริยะสติอุเบกขามนสิการเนี่ย ภาษาริบทกําหนดได้ตามลําดับบท ร, รู้แจ้งทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่ทั้งที่ดับพิจารณาได้หมดเลยนะทั้งที่ไม่มีแกเราทั้งที่มีแล้วเธอก็ไม่ยินดียินร้ายอันกิเลสไม่อาศายัยพัวพันพ้นวิเศษพรากแล้วในธรรมนั้นนั้นมีใจอันกระทาให้ปราศจากเหตุแดนได้แล้วแล้วก็รู้ชัดว่ายังมีธรรมะเครื่องสลัดออกยิ่งไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทาเครื่อง สลัดออกนั้นอ่ะให้มากก็มีอยู่อ่านะคือคนที่ยิ่งกว่านี้ก็ยังมีนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้าเข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานพิจารณาเหตุเกิดความดับขององค์ฌานเหล่านั้นทั้งหมดอ่ะนะ า, านะตาติยะฌานจตุตฌานอรูปฌานทั้งหมดอ่ะทั้งที่ล่วงแล้วดับแล้วแปรปลวนไปแล้วอ่ะนะพันธท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พัวพันพ้นวิเศษพรากแล้วจากธรรมะนั้นทั้งหมด ท่านรู้ชาติว่าธรรมะเครื่องสลัดออกยิ่งไปยังมีอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทําเครื่องสลัดออกให้มีอยู่เนี่ยแล้วท่านยังสามารถพิจารณานิโรธสมาบัติเนี่ยนะคือเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาอาสวะของท่านจึงสิ้นไปท่านมีสติออกจากสมาบัติครั้นเธอมีสติออกจากสมาบัติแล้วก็พิจารณาธรรมทั้งหลายที่ร่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมะที่ไม่มีแก่เรา ย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดียินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นวิเศษพรากได้แล้วในธรรมะนั้นนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้อยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมะเครื่องสลัดออกให้ยิ่งขึ้นไปมีอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะชมภิกษุรูปใดว่าถึงพร้อม ถึงความชํานาญในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตต์ภาษารีบุตรนั่นแหละถ้าใครจะกล่าวชอบอกล่าวชมท่านเถอะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตต์เพราะฉะนั้นภาษารีบุตรจึงเป็นผู้มีปัญญามากมีความรู้กว้างขวางปัญญากว้างขวางร่าเริงปัญญาไวปัญญาแหลมคมปัญญาเครื่องทําลายกิเลสเรียกว่าปัญญาของภาษาลีบุตร ส่วนก็ยังมีพวกปัญญาอย่างอื่นอื่นองนะที่อนุโลมไปตามธรรมที่ในสัมปัสสะนิยสูตรก็ยังมีปัญญาอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่ใช่คนเข่าโดยประการทั้งปวงเพราะท่านเป็นผู้สูงสุดด้วยปัญญาในบรรดาสาวกทั้งหลายแต่ก็ทําเช่นกับคนเขา่าคือ ท, ทําทีเหมือนคนโง่เพราะแสดงทําตนดุดคนไม่รู้อะไรเพราะท่านเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยยิ่งนะักเนยนะ เป็นผู้ดับคือเป็นผู้เย็นสนิทเพราะไม่มีความทุกข์ร้อนคือกิเลสเที่ยวไปในการทุกเมื่ออยู่เป็นนิดนะพันธะเทระหลังจากที่ท่านทํากิจของท่านเสร็จแล้วนะท่านก็บอกให้โอวา่าว่าสัมปาเทถับประมาเทนะว่า ง, งั้นทัานอย่าประมาทกันนะว่า ง, งั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคําพูดอันนี้ท่านก็แสดงในเวลาที่ท่านใกล้จะปรินิพา น, นนี่ก็เป็นข้อความในสาริปทเทระคาถาโดยสังเขป น, นะ วันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้